ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่วมระโบทิยานในวันนี้ก็คงพูดเรื่องพรหมจันท ร, ร์ในระดับที่จากง่ายไปหายากนะคือจากไก ล, กลตัวไปหาไกลตัวกันไปที่จริงเขาไม่ไกลหรอกครับมันก็อยู่ที่ใจเรานั้นในประวาลีในมังกรัตตทีป น, นี พระมจริยกถาเนี่ท่านก็เรียงลําดับเอาไว้ซึ่งบางข้อนี่มีความชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องความอกอุ่นไปในครอบครัวแต่ข้อต่อไปคือจะเรียงจากจากง่ายๆไปหายากนะหรือไม่เรียงตามที่ท่านเรียงไว้เพราะท่านเรียงไว้บางข้อเนี่ยมันมันลึกซึ้งแต่ไปอยู่ข้อต้นๆเนี่ย ข้อต่อไปก็คือสธารสันโดษคำว่าสธารสันโดษนั้นคือสามีเนี่ยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับหญิงอื่นนอกจาก่พัญญากันตัวเองแต่ว่าจริงๆนะฮะโดยหลักปฏิบัติแล้วท่านก็ไม่ได้พูดว่าพัญญากี่คนพอถ้าเรามองดูในสมัยโบราณสมัยพระพุทธเจ้าจริงๆประมากษาษาระราดเศรษฐีบางคนก็มีพัญญาเยอะ แปลว่ากี่คนก็คือปัญญาของท่านแล้วก็ลูกมันก็เป็นลูกของท่านเพราะว่าคําว่าประเวณีเนี่ยก็แปลว่าเชื้อสายเช่นนกอมีปัญญาห้าคนลูกแต่ละคนก็เป็นเชื้อสายของแก่แต่ตัวปัญญาทั้งห้าคนนั้นแน่นอนลูกของแก่แต่ถ้าหากว่าไปยุ่งเกี่ยวกับชายอื่นนะมันก็กลายเป็นลูกของบุคคลอื่นแต่ว่ามาทํำลายเชื้อสายของตัวสามี เขเรียกว่าทําลายประเวณีคือทาลายเชื้อสายมันมีคนอื่นเข้ามาแทรกอยู่ในสกุลวงเขาก็เป็นแนวของสังคมที่ถือเชื้อสายสกุลเชื้อสายสกุลกันพอสมควรแต่ว่าอย่าลืมว่าในแง่ของธรรมะเนี่ยคือการเคารพสิทธิเคารพสถานะก่อนนะเคารพสถานะของกันและกันแล้วก็เคารพสิทธิกัน แล้วไม่ทำอะไรเป็นการบ่อนเบียนเสรีภาพหรือการอยู่โดยปกติสุขของบุคคลทั้งหลายาะความเป็นครอบครัวนี่จุดเปราะบางที่สุดของครอบครัวอย่างกะตีไทยเราพูดพา เ, เสียทองเท้าหัวไม่ยอมเสียป่วให้ใครแต่บางคนก็บอกว่าเอาทองเท้าหัวมานะฮะเอาสามีของข้าไปก็มีคนรุ่นใหม่แปลง ก็แปลงว่าเอาทองเทะหัวมาแล้วก็เอา้ามีไปคือพร้อมจะแลกโดยหลักการสำคัญเป็นข้อที่น่าสังเกตว่าพระเจ้าจะเน้นเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตของสามีกับปัญญาเพราะจุดนี้เป็นจุดที่ละเอียดอ่อนแล้วมันก็โอกาสจะแตก ห, กหักได้ง่ายยังอื่นมันจะผ่อนปลนได้นะ แต่ผลปรนกาได้กา ร, รประณีติธรมได้แต่ว่าพอถึงเรื่องสามีไปยุ่งเกี่ยวกับหญิงอื่นนอกจากพัญญาหรือพัญญาไปยุ่งเกี่ยวกับชายอื่นนอกจากสามีตรงนี้ที่จริงพัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิวัติวัตตาก็คือปฏิบัตินะฮะปฏิบัติชื่อรงต่อสามีตัวเองก็เรียกว่า แต่ทั้งฝ่ายนั้นมีความสุจริตใจมีความจริงใจต่อกันค่อนข้างเข้าไปถึงจิตที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นสามีพันยาก็ไม่จาเป็นจะต้องไปไหนเป็นปาทองโกฝ่ายก็ตั้งคนต่างไปตั้งคนต่างอยู่แต่ก็เชื่อมั่นในศักดิ์ศรีของกันแล่กันว่าจะไม่มีใครไปล่วงละเมิดไม่มีใครไป น, นอกใจใครตรงนี้เป็นธรรมะนะฮะที่จริงมันไม่ใช่สีหละ มันเป็นธรรมะในภาคปฏิบัติหรือถ้าถ้าระดับรบรับศีลนี่เขาเรียกเบนจธรรม mm hmm. เบญจธรรมมันพัฒนาไปจากศีลข้อกาเมนี่แหละแล้วไปถึงตอนปลายเนี่ยตอนปลายสุดมันเป็นธรรมะสามีก็มีสภารสันโดษคือยินดีในปัญญาตนเองปัญญาก็มีปฏิวัติคือพักดีในสามีของตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อหนึ่งซึ่งมันประนีดขึ้นไปเรายังยังไม่เอาข้อที่มันประนีดขึ้นไปนะคือเราเอาร ะ, ระดับนี้ไปก่อนปนัญหาการหยาดร้างปัญหาความแตกแยกปัญหาเรื่องชู้สาวจะนําไปสู่ปัญหาโรคเอเปัญหายากรรมปัญหาฆ่ากันบางครัง้งบางคราวก็นึกไม่เคยออกคือความข้างจะสยดสยองอเรานอนนึกภาพขอ ง, ของครอบครัวภาพของสังคม ว่าเด็กเราเนี้ยต่อไปจะอยู่อย่างไงยังมีข่าวว่าพัญญานี่ตามผู้ชายไปแล้วก็ทิ้งลูกเอาไว้ให้สามีคือสามียังพอทำเนาน่นะนึกถึงเด็กนะนึกถึงเด็กว่าเธอเติบโตมาเนี่ยภายในใจเธอมีอะไรในเมื่อมีแม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยภายในใจเธอมีอะไรเธอรู้สึกยังไงปัญหาเหล่านี้เวลาเราไปคลุกคลีกับเด็กเนี่ยนะ อย่างที่บอกว่าอตมาไปอบรมเด็กอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็บ่อยมากก็เข้าค่ายแล้วก็พูดทีงนานๆ น, น, นะฮะสองชั่วโมงขึ้นเนี่ยมันปัญหานี่จะเยอะมากแล้วปัญหาบางอย่างเนี่ยเราก็เป็นห่วงเพราะว่าเด็กวัยรุ่น น, นั่งนจนเวลาเนี้ยให้พระเราไปจัดหมวดหมู่ขึ้นมาเป็นปัญหาจากนักศึกษาสถาบันราชภัฒ ก็เด็กเท่าไร่แถวเนี่ยแถวสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดแถวแถ่นี่ยนะก็แถวยี่บสองลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยอาจจะสิบแปดขึ้นไปปัญหาต่างๆที่เธอสอบถามมานั้นมันแสดงเห็นอย่างหนึ่งคือความบกพร่องในศีลข้อกรมีเนี่ยคล้ายๆกันเรื่องง่ายแล้วก็ ทำคำกรอนมาตั้งแต่เป็นเนนเล็กๆอนนะจากหนังสือสมาธิทิแล้วก็ไปท่องไปท่องให้เธอฟังวายปลกเธอฟังจนอาจารย์เราขอจดไปตรงจะไปติดไปที่พิธีไยนะเด็กเด็กจะสำนึกหรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นการสร้างสำนึกของคนทั้งสองฝ่าย หมายความมาปรับพื้นฐานไปตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสามีพัญญากันคือจะมีสามีพัญญาไม่จะเป็นสามีพัญญาคือทำยังไงอย่าให้เกิดจุดด่างพร้อยขึ้นมาในวิถีชีวิตเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ที่ไม่รู้จักอิ่มนะฮะเรื่องการมาคุณเนี่ยมันอิ่มไม่ได้ พระเจ้าสอนให้อาศัยตนาละตนาเป็นต้นเนี่ยแต่ว่ากับเมธุนหรือกับการมราคะเรื่องทางเพศเนี่ยสอนในชักสะพานนะอาศัยไม่ได้อาดอาศัยไม่ได้ฉันจะปลนปลืนด้วยกามคุณและจะเกิดสำลักกามคุณเนี่ยมันเป็นไปยากมากเพราะจะกลายเป็นเรื่องความหมกมุ่นการปฏิบัติจึงต้องมีไอจิตสํานึกของความเป็นกุลบุตรกุลสตรีอยู่ภายในใจมาตั้งแต่เบื้องต้น แล้วก็เป็นสุภาพบุรษุษสุภาพสตรีขึ้นมาแล้วก็เป็นสามีพัญญาที่เป็นเทพบุตรอยู่ร่วมกับเทพธิดาตรงนี้จะไม่เคยมีปัญหาหรอกแต่ทีนี้บางทีเนี่ยสามีพัญญามันที่พระเจ้าทรงจำแนกไว้เนี่ยมันเป็นสี่คู่นะฮะคู่หนึ่งยักษ์อยู่ร่วมกับยักษินีพวกนี้สาดิเตอร์กันมันก็อยู่กันได้นะฮะแต่เราวิวาปทปาถลุงกันตลอดแต่ว่าจะมีลูกหัวปีไทยปีอยู่เลย อีกพวกหนึ่งนั้นเขาเรียกว่ายักษีนีอยู่ร่วมกับเทพขพบุตรสามีแย่นะและทีนี้ถ้าหากว่าพัญญาเกิดราคาจัดขึ้นมาสามีพัญญาราคาไม่จช่สามีราคาไม่จัดมันก็ออกมาในรูปของไม่ซื่อสงต่อสามีธรรมาข้อนี้ก็เสียมผิดตั้งแต่ศีล น, นะผิดตั้งแต่ศีลข้อการเม่ทีนี้เอคู่ที่สามเนี่ยเขาบอกว่าเทพธิดาอยู่ร่วมกับยักษ นะครับมาสามีอาจราขาดจัดไม่มีศีลไม่มีกัญยาณธรรมมันก็ไม่มีสถานรสนโดดบ้านแตกเหมือนกันเกิดสภาพหย่าร่างเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดลูกมีปัญหาปัญหาในสังคมเราจะเห็นว่ามันก็เกิดมาจากคนสามกลุ่มเนี่ยแต่เรามองย้อนกลับไปที่ครอบครัวที่สังคมสาวกลับไปที่บ้านนะก็จะเจอภายในบ้านเป็นอย่างเนี้ย คู่ไหนก็ไม่รู้นะสามคู่เนี่ยแต่ทีนี้ถ้าสามีพัญญาเนี่ยมีความสํานึกสูงไม่คิดนอกใจกันเขาเรียกว่าไม่เป็นชู้แม้แต่ทางใจนะเห็นชายอื่นนอกจากสามีไม่ได้คิดไปทางชู้สาวเห็นหญิงอื่นนอกจากพัญญาตัวเองก็ไม่คิดไปทางชู้สาวพัฒนาจิตไปถึงจุดนั้น คือไม่เนียวนึกสุดนึกไปในทางเพศไม่ให้ความสําคัญแก่เรื่องเพศสัมพันธ์นี่มากเกินไปที่จริงมันเป็นอนุเล็กๆของวิถีชีวิตเท่านั้นเองเราสังเกตในเชิงศีลก็จะวางไว้เป็นข้อที่สามข้อที่หนึ่งคือชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยแต่ไม่มีชีวิตอย่างอื่นก็มีความหมายอะไแต่ชีวิตมีโดยไม่มีทรัพย์นี่ไม่ได้ มันต้องมีอย่างน้อยก็ต้องมีปัจจัยสี่เระนั้ข้อที่สองยังกลายเป็นทรัพย์ทีนี้ถ้าถามว่าคนมีชีวิตมีทรัพย์แล้วไม่มีคู่ครองเนี่ยอยู่ได้ไหมบอกว่าอยู่ได้เยอะไปฮะคนได้อยู่ได้โดยไม่จำเป็นจะต้องมีคู่ครองแต่ทีนี้เมื่อมีคู่ครองแล้วเนี่ยนอกจากว่า ง, งดเว้นเรื่องการนอกใจกันก็ต้องงดเว้นให้ไปถึงที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมาคือมีความซื่อสัตย์ต่อกัน สามีก็ปฏิวัติไม่ใช่สามีก็สถานะสันโดษคือยินดีในปัญญาตนเองปัญญาก็ปฏิวัติคือพักดีต่อสามีก็แสดงว่าทั้งสองคนนี้ไม่มากมากในการมักบุตมันก็กลายเป็นเทพบระบุอยู่ร่วมกับเทพทธิดาบ้านมันก็อบอุ่นบ้านมันก็เป็นสวรรค์วิมานเด็กมันก็จเจริญเติบโตขึ้นมาทำกลางบรรยากาศที่แจ่มใสแล้วก็สบายอกสบายใจ ไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนการอะไรต่างๆสมมติว่ามีปัญหาเนี่ยเกย์ก็ไม่เดียวจากบ้านเพราะบ้านมันอบอุน่นเวลาเนี้ยที่มีปัญหาก็คือบ้านไม่อบอุน่นบ้านมีการทะเลาะวิวาทกันท้ามพ่อเป็นอย่งงางนั้นแม่เป็นอย่างนี้เด็กก็ขวัญก็เจองแต่ผลสุดท้ายก็ไปโทษเด็กความเจริญเติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ ว่าผู้ใหญ่ภายในครอบครัวนี่เป็นคนยังไงถ้าผู้ใหญ่ภายในครอบครัวเขาไม่มีปัญหาอย่างอื่นมันก็ไม่มีปัญหาดำไปทีนี้แนวแนวตรงเนี้ยถ้าเรามองถึงที่พระเจ้าทรงสอนเรื่องชิดโถกนะฮะหน้าที่ของปัญญาสามีที่จะต้องปฏิบัติต่อกกันซึ่งถ้าเราดูให้ดีแล้วเนี่ย คือครองเรือนครองรักด้วยเหตุผลสติปัญญามีความบริสุทธิ์ใจและมีความรักใคร้ผูกพันกันตามโครงสร้างของพุทธคุณนะฮะปัญญาคุณบริสุทธิคุณกรรมอากุณาคุณแต่ว่ามันก็หนึ่งในเท่าไร่ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าปริมาณของความรู้สึกดีๆทั้งสามข้อเนี่ยต้องมีถ้าหากมันก็มีปัญหา ปัญหาเช่นบางอย่างเนี่ยปัญหาชู้ทางใจนะสมมติว่าชู้ทางใจคือไม่ถึงกับชู้ทางกายมันก็ไปวุ่นวายไปพูดไปคุยไปเที่ยวไปสนทนากับหญิงอื่นชายอื่นกลายเป็นปัญหาการหวาดระแวงการหึงหวงก็นำไปสู่การทะเลาะวิวาดกันได้เช่นเดียวกันมันก็ตัดจนถึงไม่มีความ สัมพันธ์ในทางเพศคือไม่มีความรู้สึกในทางเพศต่อหญิงอื่นชายอื่นที่ไม่ใช่พัญยาสามีค น, นเด่งว่าในที่ถกยังสรงสอนสามีว่าหนึ่งยกย่องนับถือสถานะของพัญยาสองไม่ดูหมิน่นด้วยรูปร่างด้วยหน้าตาด้วยหน้าที่การงานด้วยความประพฤติหรายต่ายกรตามมีปัญหาอะไรก็แก้ไขกันไป แล้วก็ไม่ประพฤตินอกใจปัญญาก็คือเนี่ยคือสถานะสันโดษนี่ยินดีในพัญญาตนเองแล้วก็มอบความเป็นใหญ่ให้ให้ของฝันให้ของขวากให้รางวัลต่างๆตามเหมาะตามควรพัญญาเองก็เหมือนกันมีความฉลาดคือจัดการงานดีมีน้ําใจต่อย่าพี่น้องของสามีแล้วก็ไม่นอกใจสามี ก็คือปฏิบัติแล้วก็รักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้บริหารรู้จักบริหารฉลาดในการบริหารการจัดการกับทรัพย์สมบัติมเกิดปัญหาในการในเศรษฐกิจภายในครอบครัวและขยันไม่เกียจคร้านในการงานทั้งปวงเด่๋ยวไม่ตรงนี้มันเป็นระดับธรรมะแล้วคือ แต่ถ้าไปละเมิดผมก็ผิดศีลนะฮะเช่นเช่นสมมติเราไม่มีสถานะสันโดษได้ดไปยุ่งเกลียวกับพันยาชายอื่นมันก็ผิดศีลหรือไม่มีปฏิวัติไปยุ่งเกลียวกับชายอื่นมันก็เป็นการผิดศีลข้อกามเมแต่ว่าตัวเนื้อหาจริงๆเนี่ยเขาเป็นธรรมะแล้วและข้ออีกข้อหนึ่งเรงถือว่ามันสูงขึ้นไปนะสูงขึ้นไปค่อนข้างจะประนีตลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น นะก็คืออุโบสถแต่ศีลกระศีลแปดหรือศีลอุโบสถนี่นะศีลแปดศีลอุโบสถมันจุดต่างมันก็มีข้อศีลข้อที่สามเนี่ยมันจะปรับเรื่องความรู้สึกทางเพศประณีตขึ้นไปอีกหมายความตั้งใจวิรัตงดเว้นไม่มีเพศสัมพันธ์แต่ว่าเนื่องจากเป็นศีลชาวบ้านนะเนื่องจากเป็นศีลชาวบ้านก็เรียก อ, อาคารยาิยวินัย จะจับป้องอะไรลูกหลานผู้หญิงผู้ชายเนี่ยได้ไม่ได้ไม่ถึงก็จับป้องกันไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นอาคาริยวินยัยวินัยของผู้ครองเรือนผู้ครองเรือนก็มีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่นะฮะมันห้ามเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์แล้วเป็นข้อปฏิบัติระดับศีลปฏิบัติระดับศีลแล้วก็เป็นศีลของผู้ครองเรือนแล้วทีนี้ศีลข้อนี้ถ้าหากว่าเป็นพระ เป็นภิกษุณีเป็นสามเณรสามเดรีนางศิขามานาจับต้องไม่ได้นะจะต้องเพิดตรงกันคําไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าเป็นสามเณรก็จะลงโทษสถานเบาถ้าเป็นพระนี่ก็หนักหน่อย่ถ้าเป็นภิกษุณีเนี่ยถ้ายินดีสัมผัสเนี่ยศึกเลยนะฮะแรงก็เล่นแรงนะแล้วก็นางศิขามานาก็ลงโทษ เพราะอะไรเพราะมันเสี่ยงเสี่ยงต่อการที่จะผิดศีลประเภทข้ออาจจะเป็นกรารเมร์หรืออาจจะผิดศีลข้อพ ร, ร์นั่นเองทีนี้ก็เพื่อให้ศีลข้อ น, นี้ดำเนินไปได้ด้วยดีพอมาถึงข้อที่หกก็งดเว้นจากการบริโภคอาหารมากเกินไปนะ่จริงคืออาหารในเวลาวิกาลนั้เพิอมอาหารมากเกินไปประตอนปกติถ้าอาหาร มีคุณค่าทางอาหารสูงอาหารบำรุงนะอาหารบำรุงนะในที่สุดมันจะมีความต้องการทางเพศโดยธรรมชาติของสัตว์โลกเนี่ยเพราะอาหารดีๆเนี่ยมันก็มีปัญหามีปัญหาว่ากระตุ้นความต้องการในทางเพศซึ่งอาจจะผลักดันให้เกิดผิดศีลข้อข้อที่สามก็ได้ถึงมันเป็นอภรรม แล้วก็งดเว้นจากการ้อนรําขับร้องประโคมดนซีดีซีที่เปล่าต่างๆเพราะว่าเพลงนี่ส่วนมากมันกระตุ้นกามาราคะกระตุ้นโลภะกระตุ้นกามราคะทำให้ จ, จิตเครือนเครื่อนหลงไหลคลั่งคลายไปหรือว่าไปดูการแสดงที่กระตุ้นกระตุ้นการมราคะตลอดถึงประดับประดาตกแต่งร่างกายของหอมอะไรๆ ต, ต่างๆนพวกนี้มันจะกระตุ้นนะครับ เราเห็นว่ากระตุ้นความบังกาในทางเพศท่านเรียกว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิก่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องเนี่ยมันกระตุน้นแล้วก็ไม่ให้นอนบนที่นอนสูงใหญ่ไอ้ที่นอนเนิบแหลกนะเราแปลว่าที่นั่งที่นอนบาลีมันไม่ได้บอกที่นั่งนั่งได้นะแต่ก็ห้ามนอนแต่นั่นเองอุจจาเสยนาแปลว่าที่นอนสูงมหมาไซนาแปลว่าที่นอนใหญ่มันไม่ได้บอกที่นั่ง เราก็ว่าคล่องปากไปเจ๋ ย, เ, จยเราก็ไม่ดูตัวบาลีเนะี่ยก็เคยพบบางทีในี่ในวินัยอธิบายว่ามันเคร่งเกินเหตุไปนะประบบางทีเนี่ยชาวบ้านเ็าปูอาสนะไว้มียัดนุ่น<ม> อ, อะไรให้หรื้อออกเลยเกินไปนะมันนอกนอกวินยัยนอกวินัยมากเกินไปมันไม่ถึงกัขนาดนั้นก็ใช้ในฐานะที่ ของต้อนรับแขกเฉยๆก็ไ้นั่งอะไรก็นั่งไปก็เพียงแต่ให้มันอย่าไปสร้างความวุ่นวายสมเด็จรมามนาเจ้าก็เคยสงติงเอาไว้ในประเด็นตรงนี้มันอวดเคร่งมากเกินไปนอกเรื่องแน่ตัวนี้เราจะเห็นว่าสีนุบสุดเนี่ยมันเป็นการพูดระยะเดือนหนึ่งก็สี่ครั้งก็คิดว่าเดือนหนึ่งสี่ครั้ง เราปรารถนาที่จะปฏิบัติพรหมจรรย์ตอนนี้ค่อนข้างเข้มขึ้นนะฮะพรหมจรรย์มันมเข้มขึ้นเพราะอไรเพราะว่าศีลข้อที่สามเป็นอพรรมไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศแล้วก็ไปตัดการบริโภคอาหารในตอนเย็นแต่จากการสังเกตญาติโยมที่เข้ามาปรึกษาเนี่ยแกเป็นห่วงตอนกินอาหารตอนเย็นห่วงมากจริงๆ เ, เรื่องกินอาหารตอนเย็นเนี่ยก็เดือดร้อนกับเรื่องการกินเนี่ยมาก แต่ถ้าเราดูจริงๆนะฮะปัจจุบันเนี่ยมันมีพวกน้ำดื่มอะไรต่ออรางๆน้ำส้มอะไรเนี่ยมันก็อยู่ได้อะนะไ ม, ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรแล้วก็ยังนึกๆึกอยู่ว่ายัางพวกพระที่เขาบวชมานานๆแล้วก็เกิดสึกไปเนี่ยท้องไส้เขาปวดนะฮะไปกินข้าวเย็นเนี่ยเราจะปรับได้ก็ปรับมานานเพ้นที่จริงมันไม่ใช่ประเด็น อาหารเนี่ยแปลว่าอย่างอัตภาพไปเป็นไปได้ก็แล้วกันรับประทานอาหารเมื่อชีวิตดำเนินไปได้ก็ถือว่าใช้ได้เป็นการฝ่ายที่จะฝึกปลือตนเองแต่ว่าบสวดศีลเนี่ยที่จริงศีลทุกข้อนะฮะลองสังเกตว่าพู้เจ้าทรงแสดงในฐานะเป็นหลักการในการไปบัตพัฒนาตนเองแต่ว่าชาวบ้านก็ต้องแสดงเก็ตจำนง คือคำมาัทนาสีนี่ชัดเจนนะฮะว่าเราแสดงเก็ตจำนวนเองพระนิ่งๆจะไปให้สีนี่ไม่ได้ชาวบ้านไม่สมัครใจจะรับมันก็ให้เขาไม่ได้และที่จริงถ้าสมัครใจจะรับเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องขอจากพระก็ได้นะอุโบสถเนี่ยทิฏฐานอกก็ได้ไม่ได้แปลกอะไรหรอกแต่เราเอามาสร้างเป็นรูปแบบพิธีกรรมย่นหยุ่มยิมยุ่งยากเวลาเนี่ยรถรามันแพงเดินทางไกลาลาบากเปล่า แตาจะรับทางวิทยุก็ได้เราสมัครใจจะรับเนี่ยหรืออธิษฐานเอาก็ได้อธิษฐานใจวันนี้อธิษฐานสมบัติฐานโสดเท่าไรเวลาเท่าไรก็ว่ากันไปวันหนึ่งก็คือหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ถึงยี่บสี่ชั่วโมงนะฮะถ้าเราลองนับดูมาลองต้องสังเกตรเรานับดูว่าตอนรับศีลเนี่ยประมาณสักสี่โมงกว่ากว่าสี่มงเช้ากว่ากว่าแล้วรับไปหน่อยเดียวก็ไปกินข้าวตอนสิบเอ็ดมงกว่า เราเห็นว่าเราก็ไม่ได้กินข้าวมาเนี่ยก็สิบสองชั่วโมงก็มากลายเป็นเท่าไรสิบหกชั่วโมงไม่ใช่สิบสองชั่วโมงก็สิบหกชั่วโมงเราราวสิบเจ็ดชั่วโมงครึ่งน่ะนะตีห้าครึ่งเนี่ยมันก็เริ่มสว่างแนละ้วเอาคิดว่าสิบแปดก็แล้วกันก็ประมาณสิบแปดชั่วโมงหกโมงเช้าก็รับประทานอาหารได้แล้วก็ยังนึกนึกอยู่ว่าเออ ถ้าคนไทยเราเนี่ยชาวพุทธเราก็มีอยู่เยอะนะห้าสิบล้านเนี่ยถ้าวันพระเราช่วยการงดอาหารเสียหนึ่งมือพอสักยี่สิบห้าล้านเนี่ย น, นะไม่ต้องออกมากกว่ายี่สิบห้าล้านมื้อนะฮะมันจะประหยัดอะไรขึ้นมาอีกเยอะเลยแล้วก็สิ่งเหล่านี้กลายเป็นสินค้าที่ส่งออกหรือว่าเพื่อแผ่กระจายออกไปช่วยเหลือคุรุูลิแก่สังคมได้เป็นอันมากนีเดียวเพิ่งฟังทั้งหล ในหวพรทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเ น, นึ่งท่นนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณในธรรมจงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี